วันนี้เป็นวันที่สองม ก, กราคมพุทธศักราช2561เป็นวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางราชการจึงได้มีวันหยุดชดเชยทำให้ญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีเวลาได้มีโอกาสมาศึกษาวิธีที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราในปีใหม่นี้ดีขึ้นกว่าปีเก่ามีความสุขมากกว่าปีเก่า มีความทุกขน้อยกว่าปีเก่าความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากการกระทําของเราเองเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ก็จะตามมาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขให้มากขึ้นมีความทุกข์ให้น้อยลงเราก็ต้องทำความดีให้มากขึ้นละการกระทาความไม่ดีให้น้อยลงไปแล้วความสุขความเจริญก็จะมีมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ความทุกข์ความวุ่นวายความเสียหายก็จะมีน้อยลงไปกว่าปีที่แล้วนี่คือหลักของคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดมาตรัสรู้ธรรมก็จะสอนเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการกระทาที่เราเรียกว่ากรรม เรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครทำให้เราดีได้ไม่มีใครทำให้เราชั่วได้เราเท่านั้นผู้ที่จะทำให้เราดีหรือเรือชั่วได้ผู้ที่จะทำให้เราดีดาดก็คือความรู้ เรื่องของกฎแห่งกรรมนี่เองถ้าเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะรู้วิธีทําความดีวิธีลดการกระทําความไม่ดีเพราะเราจะรู้จากกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองถ้าเราทําชั่วก็แสดงว่าเราไม่รู้กฎแห่งกรรม การที่เราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสนรู้กฎแห่งกรรมนี้แล้วนำเอากฎแห่งกรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่มีคนตาดีนำทางนำทางนำชีวิตของพวกเรา ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเสียหายต่างๆถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทางโลกเราก็จะติดอยู่กับการกระทาที่ไม่ดีต่างๆเพราะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ ที่จะทำให้เราคิดว่าเป็นการกระทำดีเป็นกา ร, กรสร้างความสุขและความเจริญดังนั้นในปีใหม่นี้ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานเราต้องมีความตั้งใจ ที่ะกรความดีละความชั่วและเราต้องมีความแน่วแน่มีความจริงใจต่อความตั้ ง, งใจคือถ้าเราตั้งใจแล้วเราจะต้องทำตามที่เราตั้งใจเรียกว่ามีสัจจะมีความจริงใจต่อความตั้งใจถ้าเราไม่มีความจริงใจตั้งไปเดี๋ยวก็ล้ม ตั้งไปพอจะถึงเวลาทําตามที่ตั้งใจก็เปลี่ยนใจเอาเสียเฉยเฉยหรืออ้างเหตุนั้นเหตุนี้อก็จะทําให้เราไม่สามารถอทําสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะเราตั้งใจทําแล้วแต่พอถึงเวลาเราก็อ้างเหตุนั้นเหตุนี้มาทําให้เราไม่สามารถทําได้เอ ถ้าเรามีสัจจะมีความจริงใจต่อความตั้งใจเราจะไม่เลิกล้มความตั้งใจเพราะเรามีความมีสัจจะคือเราซื่อตรงเราไม่โกหกหลอกลวงตัวเราเองเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจ ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาหะวิระยะภาคเพียรด้วยความอดทนถ้าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่สี่ประการเราจะสามารถทำให้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้อย่างอย่างราบอย่างเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ ถ้าเรามีหนึ่งความตั้งใจสองมีความแน่วแน่มีความจริงใจมีสักดิ์ศสามมีความภาคเพียรความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและสี่มีความอดทนเข้มแข็งไม่ยอ่อไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้สู้ไปจนวันตาย ถ้าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถทำความดีต่างๆได้ละการกระทำความไม่ดีต่างๆได้แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้เป็นของตายตัวเป็นของที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้นผลจะต้องเป็นอย่างนั้นทำดีแล้วความสุขความเจริญก็จะต้องตามมาทำไม่ดีความทุกข์ความเสียหายก็จะตามมาดัางนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราในปีใหม่นี้ดีกว่าปีก่อนมีความสุขมากกว่าปีก่อนมีความทุกข์น้อยกว่าปีก่อน ก็ขอให้เรามาตั้งศัจจ์ตั้งใจตั้งศัจจอ์อธิษฐานอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจจะตั้งใจทำความดีละการกระทาความช่อแล้วก็ใช้ความอุตสาหวิรยะภาคเพียนทำไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้แวลเจอประสบกับความยากยากลำบากก็ไม่ท้อถอยใช้ความอดทน ทำมันไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทำทำไปจนกว่าเราจะไม่สามารถทำได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเท่านั้นถ้าเรายังมีความสามารถทำได้ขอให้เราทำไปเถิดแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนแล้วเราจะตั้งใจทําความดีและละการกระทาบาปได้อย่างไรสิ่งที่เราต้องมีสิ่งแรกที่จะทําให้เราสามารถทําความดีและละการกระทาความไม่ดีได้ก็คือเราต้องมีเมตตาธรรม ต้องมีความเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นกายที่เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามาเกี่ยวข้องกับเขาขอให้เรามีความเมตตาต่อเขาอย่ามีความโหดร้ายทารุณต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายความเมตตาแปลว่าความปรารถนาดี ความเป็นเมตตาผู้อื่นและการจะแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ตอนที่เราได้พบปะกับสัตว์ประสาทได้พบปะกับมนุษย์พบปะกับเดรัจฉานพบปะกับกายทิพย์เนี่ยเป็นเวลาที่เราแผ่ไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็แผ่ ตอนนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการซ้อมแผ่เมตตาเป็นการเตือนใจเป็นการสอนใจให้เราแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกับสัตว์ประสว์ ท, ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานหรือกายทิพย์ต่างๆเวลาเราพบปะกันนี่แหละเป็นเวลาที่เราต้อง แผ่เมตตาแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดสอนใจสอนเตือนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตานี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งสัเพสัตตาอเวราโหนตุ สัพพสัตสัเพสัตตาแว่าสัพพสัตรรสทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเดรัจฉานก็ดีกายทิพย์เช่นเทวดาก็ดีเปตผีก็ดีเอเหล่านี้เป็นสัรพสัตวที่เราจะต้องให้ความเมตตาเอาเวลาโหนตุแปลว่าเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันเอถ้าเกิดเคยมีเวรมีกรรมกันมาก่อนเจอ เวลาเราเจอเจ้ากรรมนายเวรเขาจะจองเวรจองกรรมเราจะทำร้ายเราเราจะให้อภัยเขาเราจะไม่ตอบโต้เรียกว่าอาเวลาหนตุเพราะเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเขามาทำร้ายเราเขาจองเวรเราเราไม่ไปจองเวรเขาเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเอง ถ้าเขาจองเวรเราเราจองเวรกับเขาว่าเราเราว่าเขาเดี๋ยวเขาก็มาตีเราเราก็ไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเราเราก็ไปฆ่าเขานี่คือการจองเวรไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสร้างความโหดร้ายทารุณเป็นการแผ่ความอาฆาตพยาบาท เราจึงต้องรู้จักให้อภัยคาว่าให้อภัยก็คือไม่ถือโทษโกรธเคลืองถึงแม้เขาจะทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเราแต่เราจะไม่ไปตอบโต้เขาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้ว เขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเพราะเมื่อเราตายแล้วเขาก็จะมาทําร้ายเราอีกไม่ได้ตายแล้วเวรกรรมมันก็จะจบกันไปนี่คือวิธีแผ่เมตตา ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับสปปรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานหรือเทวดากายทิพย์ทั้งหลายพอเจอเขาแล้วเขามาทำร้ายเราเขามาจองเวรจองกรรมกับเราเราก็แผ่เมตตาด้วยการให้ให้อภัยสาทุเขาด่าเราก็สาทุไปเขาตีเราก็สาธุไปเขาฆ่าเราก็สาทุไป จะได้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วเราจะมีความสุขใจเราจะไม่วุ่นวายใจจะไม่เดือดร้อนถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าชีวิตของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปไม่ว่าจะตายโดยธรรมชาติตายโดยการถูกจองเวรจองกรรมมันก็เป็นความตายเหมือนกันนีไม่พ้นความตายเหมือนกันตายแบบ ใช้เวรใช้กรรมนี่แหละเรียกว่ากรรมไรเพราะว่าเราได้ใช้นี่ไปให้มันหมดไปดีกว่าตายแบบยังไม่ได้ใช้นี่เดี๋ยวกับมาเกิดชาติหน้าเดี๋ยวนี่เก่าก็ยังจะตามมาอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฆ่าเราชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าเขาตามมาเจอเราเขาก็จะมาตามฆ่าเราอยู่ดีงั้นถ้าตายทั้งทีขอให้ตายแบบกําไรตายแบบ อโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่เขามาจองเวรจองกรรมกับเราเราจะไม่ทําร้ายเขาเราจะไม่ตอบโต้เราจะยอมให้เขาทําร้ายเราเรายอมให้เขาฆ่าเราเพื่อเราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันนี่แหละคือความหมายของการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันไม่ใช่แผ่ตอนที่นั่งคนเดียวแล้วก็แผ่ไปไม่รู้แผ่ให้ับใคร ไม่มีผู้รับและไม่มีการให้อะไรจึงไม่เรียกว่าเป็นการแผ่เป็นการสวดเป็นการสอนเตือนใจเราให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาที่มีอยู่สวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คือไม่จองเวรจองกรรมกันวิธีที่สองสัพเพสัตตาอปยาปั ช, ชาโหนตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกัน ไม่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าชีวิตของผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีของผู้อื่นกับผู้อื่นไม่โกหกดอกลวงผู้อื่นไม่ดื่มสุรายาเมาที่จะทำให้ไม่มีสติแล้วก็จะไปทำอะไรที่เสียหายต่อไปได้ต่อผู้อื่น นี่คือการไม่เบียดเบียนกันก็คือเราต้องระมัดระวังในการกระทาของเราเวลาเราพบปะกับกันจะทำอะไรอย่าทาให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายคิดให้ดีก่อนจะทำคิดว่าการพูดของเราการกระทาของเรานี้จะทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายก็อย่า ก, กระทะ ถ้าเราไม่ทําความเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะแผ่เมตตาแผ่เมตตาด้วยการไม่ไปทําความเสียหายใบความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าอัปยาปัชชาโหนตุอา น, นิคาโหรตุคือความอยากให้ผู้อื่นเขาพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจถ้าเห็นเขาทุก ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาเหอเห็นเขาไม่สบายใจก็ลองไปถามดูว่าไม่สบายใจเพราะอะไรขาดเลืออะไรขาดแคนทางปัจจัยสี่เหรอร่างกายเดือดร้อนกดอยากขาดแคนขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยเราพอที่จะช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไป เพื่อให้เขาได้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้ก็เรียกว่าอานิคาโหนตุสัเพสัตาอานิคาโหนตุให้เขาถ้าเขามีทุกข์ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเขาเช่นเวลาที่มีอุบัติภัยทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เราก็มักจะช่วยกันมีข้าวของเงินทองก็บริจาค ก, กันไป เพื่อที่จะได้ซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นเพื่อที่จะได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าอาอนิคาโหตุสัเพสั ต, ตาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ช่วยได้สุนักจรจัดไม่มีอาหารก็ให้อาหารเขากินไม่มีที่อยู่อาศัย พอจะหาอะไรที่อยู่อาศัยให้เขาอยู่ได้ก็หาไปทำไปช่วยกันไปนี่แหละ ว, วิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันอย่าไปแผ่คนเดียวอย่าไปนั่งสวดสัพเพสัตตาคนเดียวแล้วคิดว่าได้แผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันนั้นเป็นการศึกษาเป็นการซ้อมใจเตือนใจเหมือนกับนักมวย ก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ต้องโชคกับกระสอบทรายก่อนแต่อย่าไปคิดว่าโชคกระสอบทรายแล้วจะเป็นแชมป์จะยังไม่ได้ไปเจอคู่ต่อสู้จริงจะไปเจอคู่ต่อสู้ก็ตอนที่ขึ้นเวทีจะรู้ว่าเราแผ่เมตตาได้หรือไม่ได้ก็ต้องเวลาที่เราไปขึ้นเวทีเวลาไปเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วดูซิว่าจะแผ่เมตตาออกไหมจะสัพเพสัตตาอาเวลาหนุนตุกออกไหม เขาด่าเราเราจะเฉยได้ไหมเราจะคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราได้หรือเปล่าเขาตีเราแล้วคิดได้หรือเปล่าว่าเขายังไม่ฆ่าเราเขาฆ่าเราคิดได้หรือเปล่าว่าสาธุจะได้หมดเวรหมดกรรมกันจะได้ไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปนี่นะคือต้องซ้อไมไว้ก่อนต้องคิดไว้ก่อนถ้าไม่ซ้อมไม่คิดเตือนใจเดี๋ยวพอเจอเหตุการณ์จริงจะแผ่ไม่ออก พอจเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็จะด่ากันไปด่ากันมาสู้กันไปสู้กันมาเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางกันเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันถ้าแผ่เมตตาได้จะไม่มีใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวนอกจากเราแต่ก็เจ็บเพราะว่ามันต้องจำเป็นจะต้องเจ็บเพราะเราไปทำเขาเจ็บเขาเลยต้องมาทำให้เราเจ็บพอเขาทาเราเสร็จแล้วเขาก็จะไม่มาทำเราอีก เขาก็หมดกําลังความอยากที่จะทําร้ายผู้อื่นเขาก็หมดไปนี่นี่คือวิธีแผ่เมตตาสาวิธีวิธีที่สี่ก็คือสุขขี่อัตตานังปาลิหาลันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนเถิดทำยังไงให้เขามีความสุขรักษาตนเถิดก็สอนขอสอนไงตอนปีเส้นปีนี้เราทําอะไรกัน เราส่งสงกสใช่ไหมส่งความสุขให้กับกันแต่ความสุขนี้มันต้องเป็นของที่ทําให้เขาสุขไม่ใช่เป็นแค่คําพูดหรือว่าเป็นแค่ส่งบัตรสก ส, อ, กส อ, อันนี้มันสุขแป๊บเดียวถ้าจะให้เขาสุขนานๆสุขเยอะส่งเงินไปซิส่งเงินไปส่ส ง, ง, ปสงของขวัญไปอันนี้แหละเรียกว่าส่งความสุขแล้วไม่ต้องเราส่งแค่วันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่ เราสามารถส่งได้ทุกวันเจอใครเนี่ยเตรียมของไว้ในกระเป๋าซื้อขนมอะไรมาแบ่งกันกินกันทำงานที่ทำงานจะกินขนมอยากไปกินคนเดียวมีมาก็แบ่งให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆาให้เขามีกินบ้างแล้ว เ, เราจะมีแต่มิตรจะไม่มีศัตรูนี่แหละคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเราจะได้มิตรภาพกลับคืนมา เราจะได้มีคนที่เขารักและชอบเราจะไม่มีใครเขาเกลียดเราไม่มีใครเขาจะม า, าทำลายเรากันแกล้งเราเนี่ยอา น, นิสงส์ของการแผ่เมตตานี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ามีอยู่หลายประการด้วยกันคือหนึ่งจะเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งปวงจะไม่มีใครเกลียดชังคนที่มีความเมตตาจะมีแต่คนรัก จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครคิดที่จะมาฆ่าเรานั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธเกลียดเราเราทำให้เขารักเราแล้วเขาจะมาฆ่าเราได้อย่างไรคนที่จะฆ่ากันนี้มันต้องมีความโกรธความเกลียดมันถึงจะทำได้แต่ถ้าเขามีความรักนี้เขาไม่มีวันที่จะฆ่าเราได้อย่างแน่นอนนี่จะไม่นี่คืออันที่สองจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือศีาหรือยาพิษ จะตายโดยตายโดยธรรมชาติเช่นแก่ตายเจ็บไข้ได้ป่วยตายหรืออุบัติเหตุตายแต่จะไม่มีใครมาฆ่าเราตายแล้วก็ตื่นก็มีความสุขหลับก็จะมีความสุขแล้วนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุขตินี่คือ การทำความดีข้อแรกที่จะเป็นพื้นฐานของการทำความดีและการละการกระทำชั่วต่างๆที่เราจะต้องทำอีกที่มีอีกหลายข้อด้วยกันออพอเรามีความเมตตาแล้วต่อไปเราก็จะทำความดีอีกอย่างหนึ่งได้ที่เรียกว่าทานทำทานาแบ่งปัน เ, เราจะไม่ หวงทรพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ถ้ายังต้องใช้ต้องเก็บก็เก็บไว้ได้ถ้าเก็บไว้พอแล้วมีเหลือเฟือแล้วกินไปจนวันตายก็ไม่หมดแล้วก็ถ้ายังมีเหลือก็เอาไปทําทานอย่าเอาไปเลี้ยงกิเลสอย่าไปทําทานกับกิเลสตัณหาทําทานกับกิเลสตัณหานี่เป็นการสร้าง สร้างความทุกข์ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขทำทานกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่าเอาเงินไปใช้ตามความโลภตามความอยากเช่นซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อร อ, องเท้าซื้อของต่างๆที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อไม่มีมันก็ไม่ตายเพียงแต่ชอบเห็นแล้วสวยอยากได้มาเป็นของเราเท่านั้นเองก็ซื้อมาเพราะมีเงินจะซื้อ การใช้เงินแบบนี้จะทำให้ติดนิสัยไม่ดีและจะทำให้ใช้เงินทองมากและต่อไปเงินทองอาจจะไม่พอใช้ก็ได้เวลาเงินไม่มีแต่ความอยากจะใช้เงินยังมีอยู่ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาและอาจจะทำให้ไปทำบาปได้แทนที่จะไปแผ่เมตตามไม่เบียดเบียนกันก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่น เพราะว่าขาดเงินทองที่ต้องใช้ที่อยากจะใช้เคยใช้อยู่พอไม่ได้ใช้แล้วมันหงดหงิดมันไม่สบายใจมันก็เลยต้องไปหาเงินทองโดยวิธีไม่ชอบไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนี่คือการใช้เงินทองที่ไม่ถูกใช้เงินทองที่ทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไป ให้ใช้เงินทองด้วยการแผ่เ ม, เเมตตาด้วยการเอาไปทำทานที่ไหนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีองค์กรสาธา ร, รณกุศลต่างๆก็ดีที่ไหนเขาทำความดีทำประโยชน์ให้แก่สังคมแต่เขาขาดขาดขาดแคลนทรัพยากร เราก็มีอะไรที่เราจะแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งให้เขาไปเถิดแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจเราจะสุขหรือทุกนี้อยู่ที่การทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญถ้าไม่ได้ทำบุญเอาเงินไปใช้ตามความโลภความอยากนี้กำลังไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการใช้ตามความอยากนี้จะใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอ พอไม่พอใช้ก็จะทุกขึ้นมาแล้วก็จะไปทำบาปไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเออนถ้าอยากถ้ามีเงินเหลือใช้นะเก็บไว้เหลือเฟือแล้วแล้วยังมีเหลืออีกก็เอาไปทำบุญเถิดแล้วจะมีความสุขใจแล้วจะตัดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้จะไม่มีความคิดอยากที่จะซื้อของไม่จาเป็นเลย ถ้าลองได้ทําบุญเป็นนิสัยแล้วพอมีเงินแป๊บก็จะคิดแต่ทําบุญอย่างเดียวไม่คิดว่าจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ดีไหมซื้อลองเท้าคู่ใหม่ดีไหมไปเที่ยวห้องกงดีไหมไปเที่ยวโตเกียวดีไหมไม่ต้องคิดอย่างนี้เพราะการใช้เงินแบบนี้เป็นความสุขแบบควันไฟไปเที่ยวแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวกลับมาก็หายไปแล้ว<ม>พอไปคิดถึงที่เคยไปเที่ยวทีนี้ก็ทุกข์แลสิเพราะอยากจะไปเที่ยวอีก ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวก็ทุกข์แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญนี่เวลาคิดถึงเวลาที่เราได้ทำบุญมาคิดถึงบุญที่เราเคยทํามาแทนที่จะทุกข์กลับเกิดความสุขใจบุญที่เราทำไว้มันจะให้ความสุขกับเราทุกเวลานาะทีที่เราคิดถึงมันคิดว่าได้ไปช่วยคนนั้นคนนี้มาพอ ค, คิดแล้วก็อิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่แหละคือวิธีสร้างความสุขใจ ตัดความทุกข์ใจรั้งับการสร้างความทุกข์ใจก็คือต้องรู้จักใช้เงินให้ถูกทาง ถ, ถูกที่ใช้เงินให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราและเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการเอาไปทําทานทําบุญถ้าใช้เพื่อให้เกิดความสุขจากของกิเลสมันจะทําให้เราทุกข์ต่อไปเพราะเวลาไม่มีเงินใช้มันก็จะต้องเดือดร้อน และอาจจะต้องไปทำบาปยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาใหญ่ น, นี่คือทานเป็นสิ่งที่เราควรจะทำทานนี้เป็นเหมือนอาหารบุญนี้เป็นอาหารของใจถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆใจเราจะไม่หิวไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีไม่มีความอยากจะซื้อภาพคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสก อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้มีความสุขมากกว่าไปเที่ยวมากกว่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช่นี่คือข้อความความดีที่เราควรจะทํากันเป็นประจำเพราะจะทําให้ใจเราอิ่มใจเรามีความสุขเหมือนกับการรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารกันทุกวันถ้าขาดไม่ได้รับประทานอาหารแล้วร่างกายจะหิวโหวย ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนใจเราก็เหมือนกับร่างกายใจเราก็ต้องมีอาหารอาหารของใจก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานนี้ทำทานแล้วก็จะเกิดความเกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจเกิดความภูมิใจบางที ท, ทําทําแล้วน้ําตาไหลถ้าทําด้วยความอด้วยความเมตตาจริงๆเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อน เช่นกาลังจะกินข้าวอยู่เห็นขอทานเดินมาสู้ผอมเลยสละข้าวมือนั้นให้ขอทานไปลองทำดูสิจะรู้สึกอิ่มใจขึ้นมาเลยถึงแม่ร่างกายจะไม่ได้กินแต่ใจมันกลับอิ่มเพราะใจได้อาหารได้บุญจากการเสียสละอาหารของเราให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนกว่าเรานี่คือตัวอย่างของการทำบุญทาทานเป็นอาหารของจิตใจ จะทำให้เราไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวโหยกับการไปซื้อของต่างๆไปช้อปปิง้งไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราต่อไปถ้าเรามีการทำทานเป็นนิสยัยทำทานอย่างสม่าเสมอทุกครั้งมีเงนินมีทองก็คิดแต่จะเอาไปทำทานเท่านั้นจะไม่คิดไปเที่ยวไปไหนอีกต่อไป เพราะความสุขมันต่างกันความสุขจากการไปเที่ยวเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขแบบที่เราทำบุญทาทานนี้เป็นเหมือนอาหารที่มันอิ่มอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆอิ่ม อ, อกอิ่มใจไปเรื่อยๆคิดถึงเมื่อไหร่ก็ยังอิ่ม อ, อกอิ่มใจเมื่อนั้นมม เ, เมื่อเราได้ทาทานแล้วเราก็จะสามารถมาละการกระทำบาปได้ เราก็จะมารักษาสีท่าได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่ทำทานผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นจะไม่อยากจะให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนได้อย่างไรก็จะรักษาศีาได้อย่างง่ายได้รักษาสีท่าได้อย่างสบายจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดปด ไม่เดืมโซลายามเมวพอรู้ว่าเป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่นผู้ที่ทําบุญทําทานแล้วจะไม่ชอบทําบาปนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานเนี่ยชอบไปเที่ยวชอบเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปเล่นเนี่ยพวกนี้นะ่ะเวลาเงินทองไม่พอก็ไม่ก็จะก็จะไม่สนใจนะเวลาจะหาเงินขอให้ได้เงินนีเท่านั้นไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดก็ตามเนะพราะมัน ต้องใช้เงินขาดเงินแล้วมันทุกข์มันวุ่นวายมันไม่สงบมันหงุดหงิดลำคานใจมันก็เลยต้องไปหาเงินมาใช้ถ้าต้องหาด้วยวิธีทําบาปก็จะทํากันคนที่ไม่ทําบุญก็จะทําบาป ก, นานาปา ก, กาันได้ง่ายคนที่ทําบุญแล้วจะทําบาปได้ยากจะรักษาศีลได้ง่ายก็จะทําให้ได้ทําละการกระทาบาปได้ ละการฆ่าสัตว์ละการรักทรัพย์ละการประพฤติผิดประเวณีละการพูดฟดละการดื่มโซดาอยา่างเมาได้เมื่อละได้ห้าข้อแล้วก็จะทำให้สามารถมีกําลังที่จะละสิ่งที่ไม่ดีกิจกรรมที่ไม่ดีถึงแม้ว่าไม่เป็นบาปแต่มันยังเป็นโทษกับจิตใจเพราะมันจะทำให้จิตใจนี้จะต้องทุกเวลาที่ไม่ได้ทำก็คือกิจกรรมทางกา ร, รอารมณ์ ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่ากามาหลม่มกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะถ้าเรามาถือสีลแปดก็เราก็จะเลิกเราจะห้ามใจเราไม่ให้ไปเสืรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเช่นสินข้อสามเราก็จะมาถือเป็นอปรามาจาริยาแทนที่จะเป็นอ ะ, อ, ะอะไร จะไม่ได้แล้วผิดแทนที่จะพูดผิดวรไอนีก็จะมาเป็นไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยอบบรรารมัจเริยาก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่สามีภรรยาของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยเพราะเป็นความสุขที่หยากกว่าความสุขที่เราพึงจะได้รับจากการไม่เสพกามถ้าเราไม่เสพกามได้นี่เวลาเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเหงา แต่ถ้าเรายังเสพกามอยู่เวลาเราอยู่คนเดียวนี่เราจะรู้สึกเหงาขึ้นม า, ว, าว้าเหวเศ้าซ้อยหงอยเหงานี่แหละคือความทุกข์ใจที่เราจะมาเลิกกันก็คือเลิกเสพกรารเลิกร่วมหลับนอนกันแล้วก็เลิกเลิกรับประทานอาหารหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเวลามเวลา พระพุทธเจบอกว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้รับประทานแค่เที่ยงวันก็พอรับประทานแค่มือ้อสองมื้อก็พอร่างกายจะไม่ตายโดยเด็ดขาดอย่างแน่นอนไม่จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารอาบ่ายอาหารเย็นอาหารค่าอาหารก่อนนอนอันนี้ไม่ได้เป็นการรับประทานอาหารเพื่อร่างกายแต่เป็นการเสพการเสพความสุข จากรูปเสียงกลิ่นดของอาหารซึ่งจะเป็นโทษเพระเวลาถ้าไม่ได้เสพแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาทีา่ขาดอาหารขาดอะไรอยากจะกินอาหารแต่ไม่มีอาหารให้กินก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจกินอาหารแบบกินยาเวลาที่ไม่มีอาหารเราก็พอที่จะอดพอที่จะทนได้ แล้วมันจะทำให้เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่ดีกว่าที่ละเอียดกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพกามการเสพกามนี้นอกจากได้ความสุขแล้วยังต้องมีความทุกข์ตามมาด้วย<บ> <บ S 1> <displays. S 2> เว<อ>ลาที่เราอยากจะเสพกามแล้วเราไม่ได้เสพเวลาที่อยากจะนอนกับแฟนแล้วไม่ได้นอนกับแฟนเวลาที่อยากจะกินอาหารเย็นแล้วไม่ได้กินอาหารเย็น เวลาที่เราอยากไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครไปดูละบัมไปดูคอนเสิร์ตไปดูอะไรต่างๆพอเราไม่ได้ดูก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเลิกได้ไม่ดูได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไป ก, กินอาหารคำ่ำไม่ได้ไปงานเลี้ยงไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟน แล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่สูงกว่านี้ความสุขที่สูงกว่านี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเรียกว่าสมาธิหรืออุเบกขาเราต้องการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงความทุกข์ที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงจะไม่มีในใจเราต่อไป เห็นอะไรก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยเฉยสบายเห็นคนที่เป็นคนที่เขาเกลียดเราเราก็เฉยเฉยไม่ไปชังเขาเขาชังเราแต่เราไม่ไปชังเขาเห็นคนที่รักก็เฉยเฉยเพราะถ้าไปรักเขาเดี๋ยวเวลาเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราเห็น คนที่เรารักแต่เราฉเฉยๆเวลาเขาไม่รักเราเราก็จะไม่เสียใจเขาจะชังเราเราก็ไม่เสียใจไม่รักชังไม่กลัวไม่ดง๋งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเรียกว่าเป็นการเจริญอุเบกขาสร้างอุเบกขาด้วยการหยุดคิดหยุดความอยากต่างๆ ด้วยการเจริญสติเพราะสตินี้จะเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขให้มีอุเบกขาได้ต้องมีสติถ้าเรายังไม่ไม่มีสติที่จะสั่งให้ความคิดหยุดได้เราก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือบังคับให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวให้ รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ได้มีอยู่สี่สิบเรื่องเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนี่ยเป็นสี่สิบเรื่องที่เราสามารถผูกใจไว้ไม่ให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่แต่เรื่องของกรรมฐานสี่สิบนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ต้องคิดทั้งสี่สิบเรื่องในที่พร้อมกันเอาเรื่องง่ายๆที่สุดก็คือพุทโธให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไป แล้วมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าควบคุมมันเดี๋ยวความอยากคิดมันจะหยุดคิดเองพอหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขขึ้นมาจะมีอุเบกขาขึ้นมานี่แหละเป็นวิธีสร้างความสุขที่สูงสุดคือการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา การจะมาทำใจให้สงบได้ก็ต้องหยุดการไปเสพกามกันต้องถือศีลแปกันเรียกว่าเนคขมมะการถือศีลแปนี้เรียกว่าเนคขมมะเป็นการออกจากกามกามมุสุเนคขมมะนี้แปลว่าการละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงต้องเปลี่ยนศีลข้อสามจากการประพฤติผิดประวณีมาเป็นปรมัจริยาเวรมนีคือ ไม่ร่วมหลับนอนแม้แต่สามีหรือภรรยาของตนไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่หาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมย้อมผมอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการทำสัญญกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข้อของศีลแปดทั้งนั้น ปล่อยให้ร่างกายอยู่ของเขาไปตามธรรมชาติเรามีหน้าที่เพียงแต่ดูแลความสะอาดดูแลไม่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอไม่ต้องไปเสริมความงามให้กับเขาหรอกเพราะร่างกายเสริมยังไงมันก็ไม่งามหรอกถ้าคนมีปัญญาก็จะเห็นส่วนที่ไม่งามเต็มไปหมดส่วนที่ไม่งามอยู่ใต้ผิวหนังคนไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นแต่คนมีปัญญานี้จะสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ พระพุทธเจ้าบอกแสงสว่างแห่งปัญญานี้สว่างยิ่งกว่าแสงของดวงอาทิตย์แสงสูงของแสงของดวงอาทิตย์ยังมองไม่ทะลุของที่เป็นทึบแต่แสงสว่างแห่งปัญญานี้ของทึบขนาดไหนก็สามารถมองทะลุเข้าไปได้มองทะลุเข้าไปเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นน้ํา ชนิดต่างๆเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำมันเหลวเห็นของสกรปรกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายคนที่มีปัญญา ต, ต่อให้ไปเสริมความงานขนาดไหนก็ไปดอกเขาไม่ได้เขาจะเขาจะรู้ว่าเป็นเหมือนกับเอาอุจจาระใส่กล่องแล้วก็เอากระดาษห่อของขวัญติดโบส่งไปเป็นของขวัญให้ พอเขาเห็นเขาก็าโยนทิ้งเขาไม่มาเปิดให้เสียเวลาแต่ถ้าคนโง่เ น, นี่ยจะดีใจรีบเปิดพอเปิดเข้าไปโอ้ยตายแล้วอ่นี่แหละคือปัญญาเนะี่ยนี่คือขั้นต่อไปหลังจากที่เรามีความสงบแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าความโง่มันยังจะมาหลอกให้เราไปหาอุจจาร ะ, ะหาอะไรต่างๆในร่างกายของคนที่เราเบ๊ ไม่เห็นว่าเขามีของสกโปกเหล่านี้พอเขาแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามหน่อยก็ไปหลงรักเขาไปชอบเขาแล้วไปอยากได้เขามาเป็นแฟนนะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่มีความอยากที่จะมีแฟนอีกต่อไปเพราะรู้ว่าแฟนนี้ไม่ไม่สวยแฟนร่างกายของแฟนนี้สกโปกหน้าหน้าเกลียดหน้าหน้าชังหน้ากลัวไม่สวยงามขยะขยะง ถ้าไม่ขยะขยะงเราไปดูดูที่เขาผ่าศพดูเนี่ยไปตามโรงพยาบาลเขาจะมีเวลาสอนนักศึกษาแพทย์เขาจะเวลามีการชนะสุดศพของผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุใครที่อยากจะมองเห็นความจริงของร่างกายความไม่สวยงามของร่างกายก็ไปดูตอนนั้นดูดูซิว่ามันจะขยะขยะไหมบางคนถึงกับจะเป็นลม ถ้าไม่เคยเห็นถ้าใจไม่กล้าพอนี้ไปดูไม่ได้นะถึงต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีความกล้ า, าหาญใจจะไม่มีอคติไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงก็จะมองเฉยๆได้เห็นเฉยเห็นแล้วก็จะเฉยๆได้แต่ถ้ายังมีอคติอยู่ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่นี่เดี๋ยวไปดูของที่ชังของที่กลัวนี่เดี๋ยวจะเป็นหล่มขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่จะไปเจริญปัญญาระดับนี้ได้จึงต้องมีสมาธิก่อนมีอุเบกขาก่อนถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วไม่กล้ามองไม่กล้าดูไม่อยากมองคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ยอมมองความตายกันไม่ยอมคิดถึงความตายกันหาว่าเป็นเรื่องอับประมงคลหารู้ไหมว่ามันมันเป็นปัญญาเพราะมันเป็นสิ่งเป็นความจริงความปัญญาก็คือความจริงความเห็นความจริง การไม่มองความจริงก็เลยทำให้หลงคิดว่าไม่ตายกันพอเจอความตายก็ตกใจกันกลัวกันเป็นบ้ากันไปแต่ถ้ามองความจริงแล้วเวลาเจอความตายจะไม่ตกใจจะไม่เป็นบ้าจะเฉยเฉยมันจะตายก็ต้องตายไปห้ามมันได้อย่างไรและยิ่งถ้ารู้ด้วยปัญญาว่าไอ้ที่ตายไม่ใช่เรามันยิ่งไม่เดือดร้อนใหญ่เราไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เรา เราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นคนสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่เขาสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราคือใครเราก็คือดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายที่ตายจากร่างกายอันเก่ามารอรับร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่เราก็เข้าไปจับจองไว้พอออกมาจากท้องแม่เราก็ ใช้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอเราได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนจากพระอริยสังสาวกเราก็จะได้ปัญญาว่าอ๋อมันไม่ใช่เราร่างกายนี้มันเป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาสร้างมาจากดินน้าลมไฟแล้วเดี๋ยวมันจะต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมัน เมื่อมันแก่เจ็บตายมันก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็อยู่แบบไม่มีร่างกายต่อไปเราก็ไปถ้ายังมีความหลงมีความอยากเสพกามอยู่เราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่หลงไม่เสพกามแล้วไม่มีความอยากจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย นี่วิธีที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้อยู่คู่กับใจเราไปตลอดเนี่ยเราสามารถทำได้ในปีนี้เลยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันที่จะสามารถทำความสุขให้เต็มร้อยได้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ ต่อให้ปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนเข่งคัดขนาดไห น, น, น, ไหนก็จะไม่มีวันเพราะจะไม่รู้จักวิธีทำที่ถูกต้องนั่นเองต้องมีคนที่รู้จักวิธีทำรรที่ถูกต้องวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดลาบคาบอย่างลาบคาบวิธีที่จะสร้างความสุขให้เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจนี้ต้องเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ท่านรับประกันสินค้าทัา้งเกี็นไว้หลายรับประกันสินค้านี้ผู้เอาไปใช้รับประกันได้ว่าจะเกิดผลขึ้นมาถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้รับประกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันอันนี้เลยไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรได้ในตอนท้ายสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใครปฏิบัติตาม พสูตรนี้ได้จเจริญสติจเจริญปัญญาจเจริญสมาธิได้ปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมได้ก็จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็จะสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่สูงสุดความสุขที่เหนือโลกที่เรียกว่าบร ม, มสุขสุข ท, ที่เรียกว่านัตสันติบาลังสุขถังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มี ม, คมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่พวกเราที่ตอนนี้เป็นปุทุชนจะสามารถคว้าเอามาเป็นสมบัติของเราได้ถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคําโฆษนาของพระพุทธเจ้า เชื่อคํำรับประการของพระพุทธเจ้าว่าสินค้าของพระพุทธเจ้านี้คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสว่างขาโตพระกตาธรรมโอเป็นธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงผู้ใดนํำเอาไปปฏิบัติแล้วจะต้องได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผลอย่างแน่นอนและเป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมตามกาลตามเวลา สินค้านี้จะไม่มีฉลากเขียนไว้ว่าควรบริโภค ก, ก่อนวันนั้นวันนี้เขียนไว้คําเดียวว่าอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมกี่ปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ 2,500 กว่าปีตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงผลิตสินค้านี้ออกมาขายนี่ 2,500 กว่าปีเนี่ยก็ยังไม่เสื่อมยังใช้ได้เหมือนเดิมสมัยพระพุทธการใช้สินค้านี้ก็บรรลุเป็นผ้าอาหารกันเป็นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน ปัจจุบันนี้ถ้าเอาสินค้านี้มาใช้ก็จะบรรลุปเป็นพระาอาหารกันเหมือนกันเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราไปกราบไหว้กันท่านก็ใช้สินค้านี้ท่านเป็นผู้เป็นผู้รับประกันหรือเป็นตัวอย่างของสินค้าเนี่ยใช้สินค้านี้แล้วจะได้เป็นอย่างนี้ไปถามหลวงปู่มั่นดูถามน้องตามหาบัวดูถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายดูว่าทำของพระท่เจ้านี้เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมหรือไม่ เป็นอาการิีโกรหรือไม่ดังนั้นพวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปให้กิเลสมันมาหลอกเรามาหลอกว่าพระพุทธจเจ้าตายไปแล้วพระธรรมอันนี้หมดหมดสมัยแล้วไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้แล้วอันนี้แหละเป็นความหลอกลวงของกิเลสมันไม่อยากจะให้เราฆ่ามันมันก็เลยต้องมาหลอกเราหลอกนอกเราให้เราไปไปทำอย่างอื่น แทนที่จะมาปฏิบัติธรรมสี่วันนี้ก็ชวนไปเที่ยวฮ่องกงเที่ยวเกาหลีกันแต่คนที่ฉลาดจะรู้ทันกลของกิเลสไม่ไปไปอยู่วัดดีกว่าไปฆ่ากิเลสดีกว่าไปฆ่าความอยากดีกว่าไปดับความทุกข์ดีกว่านี่แหละคือวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นทําให้มีความสุขมากขึ้นทําให้ ความทุกข์น้อยลงและหมดไปได้ขอให้เราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนเถิดตั้งสัจจะอธิษฐานสนับสนุนด้วยความเพียรความอดทนว่าต่อไปนี้จะสร้างความเมตตาจะสร้างทานจะสร้างศีลจะสร้างอุเบกขาสร้างเนคขมมะสร้างปัญญาถ้าเรามีทาเหล่านี้รับรองได้ว่าเราจะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจความทุกข์ทั้งหลายจะหมดสิ้นไป ภพชาติที่ทําให้เราต้องมาทุกข์กันนี้ก็จะหมดสิ้นไปจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นในวาระดิธีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเถิดแล้วความสุขและความเจริญต่างๆจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตถินางเปตานางอุกปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยถามริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุทธาปจายโน จตารโอธรรมวทาติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมพอเลิกล้วก็ขออนุ ญ, ญาตงดตอบปัญหา ใครอยากจะถามก็ต้องถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความส่งขึ้นมาก็ได้แล้วเราจะมีพิธีกรเจ้าหน้าที่ช่วยอ่านคำถามให้วันนี้ทาง Facebook กับ YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เ c e b o o k สูงสุดสามร้อยี่สิบเก้าค่ะู YouTube มีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะวิทยุมีสี่ค่ะถ้ายังไม่มีใครอยากถามปัญหาก็ จะให้ทางบ้านส่งทางบ้านส่งข้อความเข้ามาอ่านครับ อ, อ่านคำถามของทางบ้านก่อนค่ะคำถามจากบนเขานะคะดวงวิญญาณในอดีตมีจำนวนน้อยกว่าในปัจจุบันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรอ๋อมีไม่มีเท่าเดิมเพราะวิญญาณไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นแมวบ้างเป็นเป็นมดบ้างเป็นมแมลงบ้าง เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจำนวนวิญญาณที่มีอยู่ในอยู่ในตายพบนี้มีเท่ากันเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนสถานภาพดวงวิญญาณบางดวงก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์บางดวงก็ยังมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นเป็ดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าดวงวิญญาณคือใจนี้ไม่มีวันตายนั้นเอง มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเหมือนเดิมเพียงแต่ไปเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหมือนเป็นตัวแสดงละครไปเปลี่ยนบทเล่นละครโรงนี้ก็เป็นเป็นพระเอกเดี๋ยวไปเล่นละครโรงหน้าก็ไปเป็นผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือใจใจเรานี้เป็นเหมือนตัวผู้แสดงละครเราไปรับบทบาทต่างๆตามตามผู้กำกับใครคือเป็นผู้กำกับบทบาทเราก็คือกรรมที่เราทำนี่เอง ทำบุญทากรรมไว้เราก็ไปรับผลบุญผลกรรมไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญทาบาปก็ไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นช่วงขณะปฏิบัติธรรมทางเดินจงกรมมีรังแตนอยู่ทําให้รู้สึกกังวลหนูค่อนข้างกลัวสัตว์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้มีความกังวลลดน้อยลงค่ะ ก็มันยังไม่ทําอะไรเราไปทําอะไรไปกังวลทําไมเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไม่ก็ไม่มีปัญหาตรงไหนเนี่ยเขาก็ถ้ า, าก็จะทําเราก็ทําไปต้องนานแล้วทําไมใช่ไหมยงั้นเขาอยู่ของเขาก็าปล่อยเาอยู่ไปเรานี่แหละจะกลายเป็นอสุรกายถ้าไปกลัวบ่อยๆกลัวแล้วเดี๋ยวไปทําบาปไปฆ่าเขาไปไล่เขาไปถ้ากลัวมากๆ ก, ก็ย้ายทางเดินจงกรมไปที่อื่น แต่ถ้าปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความกลัวเราก็ต้องอยู่ต่อไปทําใจเฉยๆมีสติกํากับใจอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงหลังแต่มันก็จะไม่มันก็จะไม่กลัวอหรือถ้าจะกลัวคิดว่าถ้าถึงคราวมันจะถูกมันต่อยมันก็ต้องต่อยนะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเออยอมตายยอมเจ็บแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วจะได้ไม่ต้องไปทําบาปคําถามจากคุณนพล ถ้าหากพระทราบว่าเวลาที่โยมมาทำบุญถวายปัจจัยเข้าของเงินทองที่มานั้นไม่ได้มาอย่างบริสุทธิ์เมื่อพระท่านรับไปพระจะเป็นบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปครับและถ้าได้ทั้งสองกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเรื่องของโยมก็เรื่องของโยมโยมจะไปหาเงินมาได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของพระพระมีหน้าที่รับของของที่พระอ น, น้รับได้ก็รับของที่รับไม่ได้ก็อย่ารับเท่านั้นเอง ถ้าโยมถวายสุราก็อย่าไปรับถาวายยาเสพติดก็อย่าไปรับท่านั้นเองของที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้รับได้ก็รับไปเพราะมันเป็นเรื่องของคนคนละคนกันคนรับไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรคนคนให้ถ้าเขาไปทำบาปทำกรรมมันก็อยู่กับเขาของที่ให้มามันไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมเขาก็ได้บุญถึงแม้ว่าเขาจะเอาเงินที่เขาได้มาจากการทำบาปนี้มาทาบุญ เขาก็ได้บุญแต่เขาก็ยังมีบาปติดตัวอยู่คือการทำบุญไม่ได้ไปล้างบาปที่เขาทำไว้เท่านั้นเองแต่ก็ยังดีที่เขาทำบุญเพราะว่าถ้าเขาทำบุญบ่อยๆทำบุญมากๆบางทีบุญของเขามากกว่าบาปเวลาตายไปเขาก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปเพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงเขาไปรับผลบุญก่อนแต่บาปไม่หายบาปจะรอเวลาที่บุญหมดบุญมีกาลังน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่ตอนนั้น่ะบาปก็จะมา แสดงผลต่อเข้าต่อไปคำถามจากคุณเพนจันทร์ฝึกปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างตั้งใจมาประมาณสามปีค่ะสังเกต ต, ตัวเองว่าเวลานี้บางช่วงเวลาจะรู้สึกหมุดหงิดคนรอบข้างง่ายมากบางครั้งรู้สึกอึอดอัดครับข้องใจมากเหมือนอยากร้องไห้ทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรเมื่อก่อนไม่เคยเป็นค่ะไม่ทราบว่าเป็นผลจากการปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะบางครั้งก็แสดงออกมา แต่พยายามรู้ตัวไม่แสดงความรู้สึกออกมาเจ้าค่ะตอนนั้นเน่ยมันไม่ได้ปฏิบัติมันถึงเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาถ้าปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดอาการเพราะฉะนั้นเราอย่าแยกการปฏิบัติว่าปฏิบัติตอนที่เราไปวัดพอกลับมาบ้านกลับมาที่ทํางานเราไม่ปฏิบัติความจริงเราต้องปฏิบัติทุกเวลานาทีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสติเป็นสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นในทุกสถานที่ทุกกรณี ไม่ใช่จะมีแต่สติแต่ตอนที่เราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเราออกมาจากเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ทิ้งสติอย่างนี้ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยการฝึกสติเพื่อให้เรามีสติตลอดเวลาเพื่อที่เวลาเรามาทำงานมาเกี่ยวข้องกับคนเรายังมีสติกากับใจอยู่ถ้าเรามีสติกากับใจอยู่อาการหงุดหงิดอาการอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรา ไม่ทําต่อไงเราไปทําแต่ตอนที่เราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเรามาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้โยนสติทิ้งไปหมดเลยเอากิเลสออกมาวาดกันเลยเอามาดวนกันมาใส่กันมันก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทันทีฉะนั้นต้องพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องมีสติทุกเวลาทุกนาทีสติเป็นจําเป็นในทุกกรณีเลย คำถามจากคุณพอชัยค่ะคนที่ฆ่าสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษรวมถึงโจนผู้ร้ายเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและคนอื่นจะมีผลกรรมเช่นไรครับต่างกับผลกรรมจากการฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพหรือไม่ครับก็ต่างกันเนะ่ยเพราะว่าบาปนั้นก็มีหนักมีเบาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราฆ่าว่ามีคุณมากคุณน้อยสิ่งที่เราฆ่ามีคุณน้อยมันก็บาปหนัก ก็เหมือนกับเราไปขโมยเงินน่ะขโมยเงินมากมันก็โทษมากขโมยเงินน้อยมันก็โทษน้อยเหมือนกันค่าคนที่มีคุณค่าเช่นค่าพ่อค่าแม่ค่าพ่อหลานี่เป็นหนักเป็นบาปที่หนักที่สุดเนียเพราะเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับเรามากที่สุดนะแต่ถ้าไปฆ่าคนอื่นนี่จะบาปน้อยกว่าแล้วถ้าไปฆ่าเพื่อป้องกันประเทศชาตินี่มันก็มันก็บาปน้อยกว่าลงไปเพราะคนที่เข้ามา บุกลงนี่เขาเป็นคนไม่ดีเขาจะมาคิดฆ่าเราเราก็ฆ่าเขาแต่มันก็ยังบาปอยู่จะว่าไม่ใช่ไม่บาปไม่ได้มันก็ยังบาปอยู่แต่บาปมันน้อยกว่ากันเพราะเหตุผลของการฆ่ามันบุคคลที่เราฆ่ามันมีความมีมีคนมีโทษต่างกันแม้แต่สัตว์เลยล่ฉานมันก็มีคนมีโทษต่างกันฆ่าวัวฆ่าควายนี่ก็มีโทษหนักกว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่ามดฆ่าแมลงยิ่งมันโทษมันก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อย แต่มันก็ยังมีโทษอยู่แล้ววีบากของโทษนี้ก็คืออะไรก็เผือเวลาเราไปใช้บาปไปเกิดเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไปถูกเขาฆ่าถ้าเราเคยฆ่าเขามาก่อนเช่นถ้าเกิดไปเกิดเป็นมดเคยฆ่ามดเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นมดก็ต้องถูกเขาฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่ขอให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นฆ่าใครก็จะถูกเขากลับมาฆ่าเราถ้าไม่อยากให้เขามาฆ่าเราก็อย่าไปฆ่าเขา ยอมตายดีกว่ายอมอดตายยอมเจ็บดีกว่ายอมให้ยุงกัดดีกว่ายอมให้หมดมันขึ้นบ้านดีกว่าอย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นมดให้เข้ามาฆ่าเราต่อไปคำถามจากคุณสุขใจค่ะข้อหนึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดมากแต่เมื่อวานนี้รู้สึกไม่ปวดเท่าไหร่ เป็นเพราะอะไรคะเพราะสติไงถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธอยู่กับลมนี่มันจะไม่เจ็บเพราะใจมันไม่ไปปรุงแต่งกับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บเนียแต่ถ้าไม่มีสติไปคิดอยู่กับความเจ็บเหน๋ยวความเจ็บมันก็จะยิ่งขยายตัวขึ้นใหญ่จนกระทั่งทนนั่งต่อไปไม่ได้เนี่เวลานั่งต้องมีสติแล้วจะนั่งได้นานจะสงบได้นาน จะไม่เจ็บไม่ปวดข้อสองค่ะเมื่อวานเพิ่งให้เงินเพื่อนไปไม่รู้ว่าการที่ให้เงินเพื่อนไปนี้เป็นสาเหตุทําให้อาการปวดจากการนั่งสมาธิลดน้อยลงหรือเปล่าคะก็คงไม่ใช่นะมั้งงั้นก็ดีก็มีเงินก็นั่งสมาธิได้ก่อนก่อนจะมีเงินก็ไปให้เงินก่อนนั่นก่อนนี้ แต่มันอาจจะมีส่วนว่าเวลาให้เงินแล้วใจมันเบามันสบายมันไม่ไปคิดเรื่องหาเงินหาทองมันก็เลยทําให้มีสติอยู่วัาการนั่งมันก็อาจจะสงบได้ง่ายกว่าอันนี้ก็อาจจะมีผลข้างเคียงแต่ไม่เป็นผลโดยตรงผลโดยตรงก็คือการที่เรามีสติใจเราไม่วุ่นวายถ้าเกิดคนขโมยเงินไปนี่บางทีมานั่งนั่งสมาธิกา จ, จะไม่สงบเลยเพราะถ้าเราห่วงเงินห่วงเงินก็คิดอยู่เรื่องเงินที่หายไป มันก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานาดีเราไม่ต้องไปที่วัดมีคนมารับเงินที่บ้านให้เขาไปเลยออาใจก็อาจจะสงบเวลานั่งสมาธิก็อาจจะสงบง่ายก็ได้อยู่ที่ใจเราว่าไปผูกพันกับเรื่องต่างๆหรือไม่ถ้าเราไม่ผูกพันแล้วมันก็จะสงบง่ายถ้าไปผูกพันมันก็จะสงบยากข้อสองค่ะ การนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและเจริญสติหลังตื่นนอนเพียงพอไหมคะควรต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะถ้าต้องการให้การปฏิบัติก้าวหน้าพอพอสําหรับเพื่อการก้าวหน้าถ้าปฏิบัติเท่านี้มันก็จะมันก็จะก้าวอยู่เท่านี้เหมือนขับรถเนี่ยถ้าเราเหยียบแปดสิบมันก็อยู่แค่แปดสิบอ่ะถ้าอยากให้มันไปร้อก็ต้องเหยียบมันลงไปหน่อยเลยอยากให้มันร้อยี่สิบก็เหยียบเข้าไปถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อย จากชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงก็เป็นสามชั่วโมงจนในที่สุดปฏิบัติมันทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเน่ะอันนี้ละ่ะถึงจะ ก, ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเวลาคุยกับคนอื่นตอนที่ฟังเขาจะมีวิธีเจริญสติอย่างไรคะก็ตั้งใจฟังเลยอย่าไปคิดเรื่องอื่นเขาเช่นเวลาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ตั้งใจฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็จะไม่รู้ เรื่องที่เขากํกลาลังพูดอยู่ยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยากจะฟังแต่เราจําเป็นต้องฟังเขาบังคับ<ๆ>เขาจะด่าเราอย่างนี้เราไม่อยากฟังคาําด่าเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปฟังเสียงดา่าเขาเราก็จะไม่สะอารมณ์เสียแต่ถ้าเราต้องไปฟังเขาดา่า ย, ยิ่งยิ่งฟังคาําด่าเขาเราก็จะยิ่งเครียดยิ่งโกรธขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะละลดความเครียดความโกรธก็<ๆ>อย่าไปฟังแล้วก็พุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราขอตัวได้ก็ขอตัวเข้าห้องน้ําไป ไหนก็ได้เอถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเ ป, เป็นโทษก็อย่าไปพูดดีกว่าแ ต, แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เขาโดยบา ร, รยะต้องฟังก็เช่นแม่จะสอนจะว่าอะไรก็พูดโธพูดโธไปภายในใจก็แล้วอย่าไปเถียงแม่อย่าไปโกรธแม่ไม่ดีนะการสวดมนต์เช่นโพชชังคับปริษมีอนุภาพรักษาโรคทางกายได้จริงไหมคะและถ้าสวดให้ผู้อื่น โดยที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันจะสามารถไปถึงผู้ที่เราตั้งใจสวดให้ไหมไม่จริงหรอกงั้นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีเลยจำไหมสอนให้คนสวดโพชงกันเวลาเป็นมะเร็งก็โพชงเอ า, าลเลยครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้ายังตายเลยมันไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องเป็นเฉพาะกรณีคือคนไม่ได้เจ็บมากแล้วพอได้สติมันก็มันก็ลุกขึ้นมาเดินวิ่งได้ ซึ่งความจริงมันร่างกายมันวิ่งได้อยู่แล้วเดินได้อยู่แล้วแต่มันใจมันทุกข์ใจมันอยากให้หายกลัวจะตายมันก็เลยทําท่าจะตายไปเท่านั้นเองพอได้สติขึ้นมาได้ว่าร่างกายมันมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายพอใจได้สติใจสั่งให้ร่างกายลุกได้ก็ลุกเลยนั้นอันนี้มันเป็นเป็นกรณีพิเศษเป็นเฉพาะเวลาบางเวลาเท่านั้นเอง แต่เรื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนี่มันเรื่องของร่างกายก็ต้องใช้หมอใช้ยาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีหมอเลยนะก็ชีวกอะไรเนี่ยใช่ไหมกรมารพัทอะไรเนี่ยท่านก็เป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าก็รักษาไปตามความสามารถของยากับของร่างกายนั่นแหะร่างกายจะวิเศษขนาดไหนเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายเหมือนกันดังนั้นสวนโพชงไปก็ต้องตายเหมือนกัน แต่ส่วนแล้วมันจะทำให้ใจสงบใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายนิกายเทราวาสมหายานแล้ววัชรายานต่างกันอย่างไรมีส่วนใดที่เราควรรู้บ้างคะเราไปถามก o เกิลดูกับคาถามล้ น, นนี้ที่เกียติตอบพอสามารถหาได้แลราจะได้ดีกว่าเราตอบซิอันไปค้นหาดูในก o เกิลเนี่ยเขียนเข้าไปเทราวาสมหายาน ได้ค ำ, ดคำถามจากคุณคันติมาตจะมีวิธีใดที่จะทำให้ระงับอารมณ์โกรธหรือโมโหโดได้ทันทีคะ อ, อ๋อพอโกรธถ้ามีสติก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายโกรธ ที่มันจะหายทันทีหรือไม่เหมือนกัเหมือนกระดเนี่ยแล้วแต่ว่ารถมันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าถ้าวิ่งช้าเหยียบเบรกปุ๊บมันก็หยุดได้ถ้าวิ่งเร็วมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้หลายหลายหลายเมตรหน่อยกว่าจะหยุดได้ความโกรธของเราก็เหมือนกันถ้ามันรุนแรงมากมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยถ้ามันไม่รุนแรงมันก็ป๊อปเดียวมันก็หยุดได้คาถามจากคุณพระจัน ที่พระพุทธเจ้าให้เราเห็นชอบคือเห็นอย่างไรครับเห็นตามความเป็นจริงไงเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตก อ, กอกย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟให้เห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวความตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บ ที่เรากลัวกันเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นนว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเรานี่เรียกว่าเห็นม่ชอบเห็นไม่ถูกเห็นไม่ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนสมัยก่อนคนโบราณเชื่อว่าโลกนิบัติไม่ไม่รู้ว่าโลกนี้กลมไม่กล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลกลัวจะตกออกนอกโลกไปแต่คนที่เขารู้ว่าโลกกรมเขาก็ไม่กลัวเขาก็ สามารถนั่งเหลือออกไปสุดขอบทะเลได้เพราะขอบทะเลมันไม่มีมันเว้าวไปเรื่อยๆดังนั้นการคําว่าชอบก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงเอเห็นชอบมีความเห็นชอบเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเห็นว่าร่างกายนี้ทุกเพราะว่าเราไปยึดไปติดถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเราจะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณกันอกวันถ้าเอาช็อกโกแลตใส่บาตรพระพระสามารถเก็บไว้ฉันได้ถึงตอนไหนคะช็อกโกแลตถ้าไม่มีนมก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันเพราะมีน้ำตาลถ้าเป็นช็อกโกแลตแบบไม่มีน้ำตาลเป็นแบบผงโกโก้นี่ก็เก็บไว้ได้ตลอดคำถามแต่ ถ, ถ้ามีนมก็เก็บไว้ได้แค่แค่เที่ยงวัน เชนใส่บาดแล้วเป็นช็อกโกแลตที่มีผสมนมมีผสมถั่วมีผสมอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนของอาหารก็จะมีอายุเท่ากับอาหารอาหารก็จะชันได้ไม่เกินเที่ยงวันไปแต่ถ้ามีน้ำตาลผสมอยู่ก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันถ้าไม่ไม่มีน้ำตาลเลยมีแต่โกโก้มีแต่ช็อกโกแลตโดนๆอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้อย่างตลอดคาถามจากคุณขนปุก ชีวิตประจําวันมีเรื่องให้คิดตั้งแต่ตื่นถึงหลับมีวิธีจัดตัดใจให้นั่งสมาธิได้อย่างไรเจ้าคะมันไม่มีเรื่องให้คิดหรอกเราไปคิดเองเรื่องให้คิดมันมีมากแค่ไหนมันก็คิดแค่หาเงินหาทองหากินหาอยู่เท่านั้นเองเราไปชอบหาเรื่องคิดกันเองนะวิธีจะหยุดคิดกันเนี่ยให้ใช้คิดพุทโธแทนไปเอาพุทโธมาหยุดความคิดอย่างอื่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นๆไม่ได้คําถามจากคุณเทวีค่ะ ทั้งที่ใจไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเต็มร้อยบางครั้งในขณะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีผุดขึ้นมาเช่นเหมือนคำด่าทั้งที่ใจไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะกลับขอคำแนะนำค่ะเพราะว่าความเชื่อในพระพุทธเจ้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะกาจัดความคิดไม่ดีได้ต้องช่างสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเราจะสามารถกาจัดความคิดไม่ดีต่างๆได้ ดน้นขั้นต่อไปก็คือต้องมาฝึกสติต้องมาคิดมาต้องมาเรียนรู้ทางปัญญาว่าคิดอย่างไรถึงจะคิดดีคิดอย่างไรถึงคิดไม่ดีแล้วคิดไม่ดีมีผลกับเราอย่างไรคิดดีมีผลกับเราอย่างไรพอเราเห็นคุณเห็นโทษของการคิดว่าคิดไม่ดีแล้วมันทําให้เราทุกข์ทำให้เราเสียหายต่อไปเราก็เลือกคิดไม่ดีได้คําถามจากคุณนพล จากคำกล่าวที่ว่าสร้างกรรมดีให้มากๆเพื่อหนีกรรมชั่วเช่นนี้จริงไหมครับเช่นเราทำกรรมไม่ดีหนึ่งครั้งแล้วเราสร้างกรรมดีร้านครั้งเราก็จะหนีกรรมชั่วได้อย่างนี้จริงไหมครับยังไงก็ดูองคุลิมานเป็นตัวอย่าง อ, องคุลิมานฆ่าคน999าคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสหมดก็เป็นพระอราหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด กรรมที่ไปทําฆ่าคน999คนก็ไม่สามารถตามไปให้กับพระองค์ุลิมาน ร, รับผลได้เพราะท่านไม่มาเกิดเด็กต่อไปถ้าอยากจะหนีกรรมก็ต้องสร้างบุญระดับพระอรหันต์เท่านะั้นถึงจะหนีได้อย่างแท้จริงถ้าเป็นบุญแบบสวรรค์ชั้นเทพอย่างนี้เดี๋ยวพอหมดบุญสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องกลับมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจอเจ้ากรรมในเวรต่อไปคําถามจากคุณมรกต สถานะปัจจุบันไม่มีพื้นที่เดินจงกรมค่ะสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เดินจงกรมยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะได้คือการเดินและการนั่งนี้มันเป็นเพียงการเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกายที่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่งนานๆมันก็เจ็บปวดได้ปวดเมื่อยได้ถ้าเดินานานๆมันก็เมื่อยได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถแต่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถของร่างกายอยู่ที่การมีสติ ยิ่งถ้าเรามีสติไม่ว่าเราจะอยู่ในเรียบทไหนก็ถือว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสติในเรียบทไหนก็ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติคําถามจากคุณอนุสอนตอนนี้เหมือนเมาบทสวดมนต์ครับควรสวดบทไหนดีครับเพราะมีแต่คนบอกสวดบทนั้นบทนี้มันก็ดี จะแก้ไขอย่างไรครับรู้สึกสับสนขอชี้ทางสว่างให้ทีครับคือบททุกบทนี้เหมือนกันสวดแล้วได้ผลเหมือนกันเหมือนอาหารอาหารทุกชนิดกินแล้วทําให้เราอิ่มท้องเหมือนกันการสวดมนต์นี่ก็ทําให้ใจเราสงบจะสวดบทไหนก็เหมือนกันไม่มีอนิสงส์พิเศษไปกว่านั้นบางคนสวดบทนี้แล้วไปนิพพานสวดบทนั้นไปไม่ถึงนิพพานไม่ไม่ใช่นะการสวดนี่ไม่สามารถพาให้ไปถึงนิพพานได้การสวดนี่เป็นการฝึกสติ เป็นการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองดังนั้นสวดบทไหนก็ได้เราชอบบทไหนถนัดบทไหนจำบทไหนได้ก็สวดบทนั้นสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือได้ยิ่งดีสวดในใจได้ยิ่งดีแล้วสวดบ่อยๆสวดมากๆสวดนานๆสวดเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอแล้าใจจะสงบมีสมาธิขึ้นมามีสติขึ้นมานี่คือผลของการที่เราสวดมนตร์ ไม่ได้เป็นคาถาอาคมส่วนบทนี้แล้วยิงไม่เข้าอะไรนี้ไม่ใช่ส่วนบทนี้แล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่นะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดกันคิดกันไปเองคําถามจากคุณชนะตนโยมไปปฏิบัติที่วัดป่ามากายวิเวกช่วยให้ใจวิเวกได้จริงๆไม่อยากกลับไปทํางานเลยเพราะรู้ว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ดีต่อเนื่องเหมือนอยู่ที่วัด จะทำอย่างไรให้รักษาสติดได้นานและต่อเนื่องถ้ายังต้องกลับมาทํางานอยู่ครับออก็ต้องพยายามทําเหมือนตอนที่เราปีกวิเวกสิก็พยายามทำตามที่เราเคยทําอยู่ทําต่อไปถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปีกวิเวกบ่อยๆออลดการทํางานลงออถ้าเราปีกวิเวกเราทําใจให้สงบแล้วความอยากจะใช้เงินมันน้อยลงไป ก็ทำให้เราทำงานน้อยได้อาจจะเปลี่ยนงานกลายเป็นงานอ า, อาชีพอิสระก็ได้ขายประกันขายเครื่องสำอางขายอะไรไปวันไหนอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขายไปเดินจกรมนั่งสมาธิไปเปิกวิเวกได้แล้วต้องเปลี่ยนบทบาทละถ้าเราต้องการที่จะมีการเปิกวิเวกมากขึ้นมีการเจริญสติมากขึ้นงานที่เราทาอยู่ถ้าเป็นงานประจำเราอาจจะต้องเปลี่ยน หางานแบบที่เราสามารถเลือกวันหยุดของเราได้แล้วเราจะได้มีเวลาปีกวิเวกได้มากขึ้นจเจริญสติได้มากขึ้นแล้วถ้ายิ่งได้สติมากได้ธรรมะต่อไปมันก็จะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมันก็จะไปบวชได้คำถามจากคุณลาวันค่ะดิฉันเคยจิตเสื่อมเป็นอะไรคะ สติเผลอบ่อยๆจิตไม่สงบเต็มร้อยใช่ไหมคะใช่สตินี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตเจริญแล้วเสื่อมถ้าเสื่อมมากๆไม่มีสติเ้าก็เรียกคนเสียสตินน เ, นเนี่ยคนบ้าเนี่ยเกิดเป็นคนเสื่อมมากๆคนที่มีสติเต็มร้อยก็พระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์คำถามจากคุณรัตนาศรรักภาวนามีสติอยู่กับท้องพองยุบบางครั้งมีคําพุโทโธกํากับ แต่บางครั้งพุดโทรหายไปรู้สึกแต่ลมที่ท้องพองยุกไปเรื่อยๆใช้ได้ใช่ไหมครับก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบถ้ายังไม่สงบก็ต้องดูไปเรื่อยๆเอย่าเพิ่งหยุดนะคาถามจากคุณโอเคทําอย่างไรจะเป็นพระอาหารหันได้หลวงพ่อก็หยุดความโลภโกรธหลงเท่านั้นเองไม่เห็นยากเย็นเลยเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภเวลาโกรธก็อย่าไปโกรธเวลาหลง ก, ก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดี พาลาหาันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ดีมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นก็เป็นพาลาหันได้ยังเหลื อ, อหมดแล้วแหละคำถามามีใครอยากจะถามาส่งมาให้คุณบุชานี้หน่อ ย, ยกับพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่ท่านตอบคำถามโยมทางบ้านที่ว่าทำบุญหนีบาปได้อย่างองคุริมาพระอักละสาวก เ, เบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะตอนที่จะประนิพาน์ตามที่โยมได้ทราบมาในท่านถูกโจรทุตีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังหนีไม่ได้ยังหนีเวรกรรมไม่ได้แต่ถ้าไม่มาเกิดแล้วมันก็หนีได้อย่างของคนริมาตอนที่ยังไม่ตายก็ถูกชาวบ้านเขาก้อนเห็นเพียงใส่เราะก็จําได้ว่าตอนนั้นเป็นเคยเป็นโจรมาก่อนนะคนั้นที่หมายถึงว่าหนีได้ก็คือเมื่อตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่ แต่ดังมีชีวิตอยู่ก็ยังหนีไม่ได้ <c oughs> ก็ยังต้องเจอเพราะบัจจเจ้ายังต้องเจอเลยเจอเทวทัตเนี่ยก็เหมือนกัน <c oughs> เอองค์ุริมาอองคุริมรพระองค์ุริมานะครับตอนป ร, รินิพานเนี่ยโยมไม่ไม่เห็นในพระไตรปิฎกเนาะว่าเวลาท่านป ร, รินิพานนีถูกทุบตีเหมือนกับ ป้าคละสาวกเบื้องซ้ายก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ได้ถูกทุบตีเพีงแต่ว่าตอ น, นี้ยังไม่ตายบางทีผ่านไปหมู่บ้านที่เขาเคยฆ่าคนคนชาวบ้านเขาจำได้เขาก็ก้อนหินแขวงใส่คาถามตอบคำถามต่อไปนี่เกิดขึ้นกับโยมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พระอาจารย์เมตตาที่ว่าให้ตั้งสัจจะโยมนั่งฟังเทศพระอาจารย์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงโ ย, ยมตั้งสัจจะว่าโยมจะไม่ขยับ โดยนั่งท่าเนี้ยครับที่นั่งคุกเข่าอยู่นี้นะครับทีนี้มันเกิดเวทนาขึ้นครับมันมันมันมันเจ็บอะครับก็ต้องมีความอดทนมีความพยายามที่จะนั่งต่อไปให้ได้ครับถ้าไม่มีขันติไม่มีความพยายามมันก็ทนไม่ไหวเด็กก็ต้องขยับครับทนทนไหวครับแต่มันเจ็บครับพอาจารย์เจ็บเข้าไปมันเจ็บไปแต่มันเป็นธรรมดาของร่างกายมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาใจเราอย่าไปเจ็บกับมันเราก็จะ ปล่อยมันได้ปล่อยให้มันอยู่ตามเรื่องของมันได้ครับทีนี้กลับกลับมาเนี่ยหลังจากที่พระอาจารย์เทศเสร็จแล้วโยมถวายของกันหมดแล้วเนี่ยโยมก็เปลี่ยนท่านั่งมาเป็นท่านั่งพระเพียบนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยก็เลก็ทําไปควรควรจะรักษาท่าข้ามเวทนาที่นั่งแบบนี้แล้วมันมันเจ็บหรือว่าควรจะเปลี่ยนท่าก็ถ้าเราอยากจะซ้อมให้เราอยู่กับเวทนาให้ได้ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บ แล้วก็ใช้ขันติใช้พุทโธใช้สติสู้กับมันไปที่เรานั่งได้เพราส่วนหนึ่งเรามีสติฟังการฟังเทศฟังธรรมอยู่มันเลยทําให้ใจเราไม่ค่อยไปวุ่นวายไปกับความเจ็บของทางร่างกายถ้าเรานั่งโดยไม่มีการฟังธรรมนี่อาจจะนั่งไม่ได้ก็ได้พอมันเจ็บเดี๋ยวมันก็อยากจะลุกเท่านั้นเี่อยากจะเปลี่ยนในรียบทขึ้นมาครับขอบคุณครับอนะพอดีหมดเวลาพอดีสําหรับวันนี้